เราต้องขวัญขวายเราต้องสแสวงหาเราต้องงบหลมที่คันท่าแล้วไม่นอละ ม, มันจะเป็นหรือบุญวาสนามันจะส่งเสริมอะไรให้เราเกิดขึ้นมาก็ น, นอนแปะไอเพียงแค่นี้แหละบุญวาสนาไม่จะมีอะไรให้เรา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 จะเป็นผู้รู้ฉลาดเฉลียวไม่มีใน ต, ต้นมันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทั้งนั้นต้องมีการศึกษามีการเาเรียนตั้งสิบสิบปีกว่าจะเป็นคณาดาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ก็ได้นันเรียกว่ามืดมาใน ต, ต้น แล้วก็สว่างค่อยสว่างตอนปลายอันนั้นดีมากคู่เป็นกัยนั้นค้านี้นนสวามึงต้นไหนอันนี้มือตอนปลายอันนี้ไม่ดีเกิดขึ้นมาเป็นคู่ฉลาดียบแหลมเกิดขึ้นมาในตระกูลอันดี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 ว่าเรามีเรารวยเ้วมีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วคมเหงคนอื่นอันนั้นมันกลับเป็นชั่วต่อไปมืดต่อไปอีกอันนี้ทั่ ว, วไปที่พูดถึงเรื่องคนสีอย่างพวกนี้ทั่ ว, วไปต้องเป็นอย่างนั้นครานี้มาพูดถึงเรื่องธรรมะที่ควรปฏิบัติ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 นั่นแหะบุญว่าจะดาแท้นะไม่ใช่จะเอาโซดาได้ก่อนนั้นมาเป็นโซดาเดี๋ยวนี้ไม่ได้หอกจกคิท้าขาได้ก่อนมามาเป็นสกุลละจะคิทาคาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นย่งว่าเรามาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนมืดทุกคน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 อันนี้เป็นของของเราแท้ๆควรทำแ ท, แทนน้ยังว่ามืดแล้วกลับสว่างต่อไปแล้วขานีมืดแหละขานี่สว่างแล้วกลับมืดล่ะมีมากสี่เดียวเรื่อง่านี้เมื่อหัดสมาธิปวนา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 เยียดยามดูถูกศาสนาการบวชการเรียนการทึกใาการเขวัดฟังธรรมเคยมีเมื่อกันไในวัดที่เคยมีเมื่อนกันไปอะไรทำบุญทำทานในวัดไหนว่าฉันทำมาแล้วมากมายไม่เห็นได้อะไรหรอกเคยมีมาแล้วนอกจากนั้นเนอะ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 เก็บเห็นเดาเดียวเก็บเพื่อยไปกลับมาบ้านได้พอหมอ้อแกงคนที่เห็ดเดาเดียวแล้วไม่เก็บกัอเขามาบ้านเห็นเขาขเก็บเก็บเห็ดเดาเดียวมาแกงเต็มหมอ้อไปได้เห็ดมาใหญ่เก็บเห็ดเดาเดียวแล้วเอามาแกงหมอนี่ครับแกงหมอ้ออ้อยแกงเห็ดหมอนี่เก็เ็ดเกเดียวเนี่ยเขาว่านะนั่นเนื้ตัวย่าง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 กับธรรมะที่เรามีอยู่ยินดีพอใจเช่นว่าเมตต์อรุณนนาโมทิตาอ เ, เปขาเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดเมตตาเมตตาเปว่ามิตรเหมือนกับตัวของเราของเขาเขาทุกข์ก็เหมือนกับเราทุกข์เขาสุข ก, ก็เหมือนกับเราสุขเอาอันนัน้นะอันเดียวเท่า น, นัา้นแหละ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 พงไม่เอาของเท็จมามาพูดหรอกเขาของจริงเราพูดมันก็ปลอกมันเด็กเกิดเกิดก็เกิดในที่จกุกกระบกของเหม็นวเน่าเป็นขงเติบโตขึ้นมาจะทานได้ของทุกกระบกอาหการกิกนกืุกสิ่งทุกส่วนที่เราทานเข้าไปแล้ว เข้าใจว่าเล็ดอร่อยอาเลดอร่อยอาไ ร, ออ ร, ออรเราหยิบเราสวยของบันนั้นมาก็ยังต้องล้างมืออยู่มันทุกกขบก็ที่จนต้องล้างของเน่าของปฏิกูลของนั้นอน่ะอาหารที่มากรุงมาแต่งแั้นล้วนได้ของทุกขบของนั้นนะ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 ให้แหลกงันค่อยคืนนั่นเปิดเข้าใจป่ามืากันแหละแสนทุกตัวคนอื่นมองดูมันทุกแสนทุกเออคืนกินไอ้คืนเองก็ไม่ได้ต้องเปิดเพราะส่เปิดนั้นเปิดนี้นนใส่สารพัดทุกเร่งทุกอย่างงั้นยังเรียกว่าทุกไม่เห็นทุกอสิ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 ก็เลยไม่ลงเป็นธรรมะได้เมื่อสราขายได้ยังเดือได้ใจเห็นตัวใจอันนั้นเด่นชัดขึ้นมาใจก็เป็นของสว่างเมื่อไม่มีของนี้ปกปิดปุกตะวันหมดสักทีธรรมะของพระพุทธเจ้าจงเป็นอย่างนี้